วันนี้พวกเราก็ได้มาที่วัดกันอีกครั้งหนึ่งมาเพื่อมาเติมน้ำมันให้แก่จิตใจจิตใจก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่หลังจากวิ่งไปได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ต้องจอดแวะอามสถานีบริการเพื่อที่จะได้เติมน้ำ เติมลมเติมน้ามันเพราะถ้าไม่ได้รับการเติมอย่างต่อเนื่องรถยนต์ก็ไม่สามารถที่จะวิ่งไปไหนมาไหนได้จิตใจของพวกเราก็เช่นกันถ้าเราไม่หมันเติมน้ามันของจิตใจอยู่เรื่อยๆจิตใจก็จะไม่สามารถ ที่จะพาเราไปสู่จุดหมายที่พวกเราต้องการจะไปกันคือไปไกลจากความทุกข์ไปใกล้กับความสุขน้ำมันที่จะพาให้จิตใจของพวกเรานี่ได้ไปทางที่พวกเราปรารถนากันก็คือ ศรัทธาความเชื่อวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรสติการระลึกรู้สมาธิการตั้งมั่นของจิตใจและปัญญาความรู้ความฉลาดนี่คือน้ำมันของจิตใจที่ จะพาให้จิตใจได้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบที่ดีที่งามที่สุขที่เจริญที่มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ดังจิตใจของพระพุทธเจ้าและจิตใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ท่านได้ไปถึงพระนิพพานไปสู่บรมังสุขขังไปสู่บรล ม, มบามสุขเพราะท่านมันเติมน้ำมันทั้งห้าประการนี้อยู่อย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอจนทำให้จิตใจของท่านนั้นสามารถเดินทางไปถึงพระนิพพานได้ จิตใจของพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าเปรียบเทียบก็เป็นรถยนต์ที่ผลิตออกมาจากโรงงานอันเดียวกันมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันตรงที่ผู้ขับรถจะมีความสามารถที่จะคอยเติมน้ำมันให้แก่รถยนต์ ได้หรือไม่เท่านั้นเองจิตใจของพวกเรากับจิตใจของพระพุทธเจ้านั้นเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเป็นผู้รู้เหมือนกันเป็นผู้คิดเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่มีน้ำมันที่จะพาให้จิตใจไปที่จิตใจที่พวกเราต้องการจะไปกันหรือไม่เท่านั้นเอง พระพุทเจ้าพระอาหาันตสาวกท่านมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาท่านจึงไปถึงพระนิพพานได้พวกเรามีบ้างแต่ยังมีไม่มากพอมักจะไปตายกลางทางกันเติมน้ำมันไม่เต็มถังเติมไม่เต็มที่ขับรถไปได้ครึ่งทาง ยังไม่ถึงสถานีบริการก็หมดน้ํามันเสียก่อนก็เลยต้องเสียเวลาเข็นรถไปสู่สถานีบริการนี่คือลักษณะของพวกเรากับพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์เวลาถึงสถานีบริการก็เสียดายเงินเสียดายทองไม่เติมให้มันเต็มถังเติมเพียง หนึ่งในสามแล้วก็คิดว่าพอแล้วเอาเงินไปใช้อย่างอื่นก่อนอยากจะหาความสุขอย่างอื่นก่อนอย่างอยากไปเที่ยวยังอยากจะไปงานเลี้ยงยังอยากจะไปดูมอาหะามหะรสุบบันเทิงต่างๆ ยังอยากสังสรรค์กับเพื่อนฝูงยังอยากซื้อของสวยๆงามๆความอยากเหล่านี้แหละที่เอาเงินของเราไปจากการไปเติมน้ำมันแทนที่จะเอาเงินมาเติมน้ำมันเพื่อให้เกิดศรัทธาเกิดวิริยะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญา เราก็เอาเงินไปซื้อข้าวซื้อของต่างๆใส่ไปเต็มรถแล้วพอรถวิ่งไปได้ไม่ไกลก็น้ำมันหมดก็ต้องเข็นรถกันไปจนกว่าจะถึงสถานีบริการใหม่พอถึงก็ยังเหมือนเดิมอยู่ไม่ยอมเต็มเติมให้เต็มถัง นี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้พวกเรายังไม่ยังไปไม่ถึงพระนิพพานกันขาดการเติมน้ำมันอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องน้ำมันชนิดแรกคือศรัทธาเราก็ต้องเติมด้วยการหมั่นศึกษาฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้า ของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเวลาเราได้ฟังหรือได้อ่านหนังสือคำสอนต่างๆจิตใจของเราจะเกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมามากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่มีศรัทธาเมื่อได้ศึกษาได้อ่านแล้วก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้ว เมื่อได้อ่านได้ศึกษาได้ยินได้ฟังก็จะเกิดศรัทธาเพิ่มมากขึ้นไปอีกเมื่อเกิดศรัทธาแล้วก็จะทำให้เกิดวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียนเพราะทำที่ได้ยินได้ฟังนั้นทำให้เรามองเห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าและภาษาววกทั้งหลายได้รับนั้น เป็นสิ่งที่อยู่แค่เอื้อมมือของเรานี้เองอยู่ที่เราเราสามารถที่จะหยิบขึ้นมาหรือเอามาเป็นของเราได้ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษาพระธรรมคาสอนเราก็อาจจะคิดไปว่าเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะรับ สิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายรับได้นี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบที่ทำให้เราไม่มีอุตสาหะวิริยะที่จะเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อให้ได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้รับกัน แต่พอเราได้ยินได้ฟังได้เปรียบเทียบว่าพระพุทธเจ้าพระอาลาันตสรวก่อนที่ท่านจะได้บรรลุ ธ, ธรรมท่านก็เป็นเหมือนพวกเราที่มีกิเลสทันหามีโมหะอาวิชชามีความเกียดคร้านมีความลังเลสงสัยในเรื่องของการปฏิบัติธรรมแต่ หลังจากที่ท่านได้ศึกษาได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติจากผู้รู้แล้วท่านอานำเอาไปปฏิบัติอย่างเขามรเข้มแน่นท่านก็สามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ท่านก็เคยเป็นปุถุชนเหมือนกับที่พวกเรากําลังเป็นปุถุชนอยู่ตอนนี้อย่างครูบาอาจารย์ ที่เราได้กล่าวว่าได้พบเห็น <c oughs> เราก็ได้อ่านได้ศึกษาประวัติของท่านกันเราก็รู้ว่าท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญอย่างเราดีไม่ดีอาจจะได้กาเราเสียด้วยซ้าไปเพราะท่านเป็นลูกชาวนาชาวไร่เกิดอยู่ในชนบทไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ศึกษาอย่างพวกเรา ที่อยู่ในบ้านอยู่ในเมืองได้ศึกษากันแต่ท่านก็สามารถที่จะปลักดันตัวเองด้วยเหตุผลอันใดอันหนึ่งบางครั้งในตอนเริ่มแรกก็อาจจะมีเหตุบางครับเช่นเป็นธรรมเนียมที่จะต้องบวชทั้งๆ ท, ท, ที่ก็ใจก็ไม่อยากจะบวชแต่ด้วยความจำ จำใจจำเป็นบวชเพราะเป็นความปรารถนาของบิดามารดาท่านก็ยอมบวชพอบวชท่านก็ได้มาสัมผัสรับรู้กับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านไม่เคยได้รับรู้มาก่อนพอได้ศึกษาได้รับรู้ท่านก็เห็นช่องทางเห็นว่าท่านก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถ มีปัจจัยพร้อมที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติได้เหมือนกับบุคคลที่ท่านได้ศึกษาในหนังสือคือประวัติของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือประวัติของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายก็ดีท่านก็เห็นว่าไม่มีความแตกต่างกันเริ่มต้นที่จุดเดียวกันคือจุดของปุถุชน แล้วมีเหตุการณ์อันอย่างใดอย่างหนึ่งนำพาให้เข้าสู่พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือในกรณีของพระพุทธเจ้าก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้พระองค์ได้ทรงเห็นธรรมด้วยพระองค์เองเช่นเห็นเทวทูตสี่ที่พระองค์ไม่เคยได้เห็นมาก่อนเพราะถูกกิจกัน ปิดกัน้นทรงให้ประทับพระราชบิดาทรงให้ประทับอยู่แต่ในพระราชวังไม่ให้ออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่ให้เทวทูตทั้งสี่เข้าไปในพระราชวังเพราะพระราชบิดาทรงรู้ว่าถ้าพระเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะได้พบเห็นเทวทูตทั้งสี่แล้ว ก็จะทำให้ท่านเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความรู้ที่จะทำให้ท่านสละราชสมบัติแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถปิดกั้นเล้าชายสิทธัตถะได้พระองค์ก็ส่งเล็ดลอดออกไปจากพระราชวางังแล้วก็ไป เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชพอเห็นแล้วก็พิจารณาย้อนกลับมาที่พระองค์เองว่าต่อไปพระองค์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นคนแก่ต้องเป็นคนเจ็บต้องเป็นคนตายแล้วถ้าอยากจะหลุดจากการ มาเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็ต้องไปเป็นนักบวชเพราะนักบวชเป็นผู้ที่แสวงหาทางที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พระพุทธเจ้าต้องเสด็จออกจากพระราชวางังสล ร, ราชสมบัติ เพื่อจะได้บำเพ็ญส ม, มณะธรรมบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจนในที่สุดก็ได้ตัดสรุิเป็นพระอาหารหันต์ตัส ม, มาสามพุทธเจ้าเป็นาศาสดาของโลกเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เกิดจากเหตุการณ์ที่ได้ทรงออกไปพบเห็นเทวทูตทั้งสี่ สำหรับคุูบาอาจารย์เช่นหลวงตาท่านก็ถูกขนทรทำเนียมประเพณีของลูกที่จะต้องบวชทดแทนบุญคุณให้แก่บิดามารดาในครอบครัวก็ไม่มีผู้ใดยอมบวชแล้วพ่อแม่ก็หวังพึ่งองค์หลวงตาท่านก็เลยยอม ยอมบวชทั้งๆ ท, ที่จิตใจไม่เคยคิดที่อยากจะบวชเลยแต่พอท่านบวชแล้วเนื่องจากท่านเป็นคนที่ทำอะไรแบบจริงจังไม่ทำอะไรเล่นๆทำอะไรแล้วทำอย่างเต็มที่พอบวชแล้วก็ศึกษาอย่างเต็มที่ปฏิบัติอย่างเต็มที่รักษาศีลรักษาวินยัยรักษาข้อวัดปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างเต็มที่พอได้ศึกษาได้ยินได้ฟังเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเรื่องมรสีผลสีนิพพานหนึ่งก็ทำให้ท่านเกิดวิริยะคือความอุตสาหะความภาพเปลี่ยนขึ้นมาตอนต้นกะจะบวชแล้วก็ศึกแต่พอได้ศึกษาได รู้ได้ฟังได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของพระอาหารหันต์เรื่องของมรรคสี 4, ผลสีนิพพานหนึ่งก็ทำให้ท่านเกิดศรัทธาอย่างแรงกลาที่จะศึกษาต่อไปที่จะปฏิบัติที่จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตามลำดับต่อไปนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้บุคคลเกิดศรัทธาขึ้นมา พอมีศรัทธาแล้วก็จะเกิดวิริยะความอุสาหะภาคเพียรความเกียดค้านไม่ทราบหายไปไหนหมดพอเกิดความยินดีเกิดความพอใจเกิดศรัทธาความเชื่อว่าตนเองก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ทีนี้มีกำลังวังชามีเวล่เวลามีอะไรที่ทุ่มเทได้ก็จะทุ่มเท ให้กับการศึกษาและกับการปฏิบัติเร้่งต้นต้องศึกษาก่อนเพื่อที่จะได้รู้แนวทางของการปฏิบัติว่าจะต้องปฏิบัติอะไรจะต้องเจริญอะไรสร้างอะไรขึ้นมาก็จะรู้ว่าต้องสร้างศีลขึ้นมาเป็นนักบวชก็มีศีลอยู่2ง้อยยีข้อ ก็รู้ว่าต้องรักษาให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ให้ด่างพร้อยแล้วก็ต้องเจริญสมาธิและปัญญาตามลำดับถึงจะได้บรรลุมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งได้ศีล ส, สมาธิปัญญาที่เรียกว่าไตรสิกขานี่แหละเป็นข้อปฏิบัติของ พภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาถ้าใครมาบวชแล้วไม่รู้คำว่าศีลสมาธิปัญญาไม่รู้คำว่าใรสิกขาก็เหมือนกับคนหูหนวกตาบอดมาบวชนั่นเองหรือพวกทัพพีในหม้ อ, อกแกงบวชแล้วก็ศึกบวชตามประเพณีเช่นพอออกพรราา รับกระถิ่นปับ๊บเช้ามืดก็ลาสิกขากันเลยนี่แสดงว่าศรัทธาไม่เกิดวิทยะอุตสาหะไม่เกิดเลยบวดมาตั้งสามเดือนด้วยกันมีการศึกษามีการเรียนมีการได้ยินได้ฟังธรรมอย่างต่อเนื่องแต่จิตใจเหมือนกับความลงไปเหมือนกับแก้วน้ำ แทนที่จะหลายแก้วรองรับน้ำที่เทใส่ไปในแก้วก็กลับคว่มแก้วเอาไว้เทน้ำเข้าไปกี่ขวดกี่แกลลอนก็ไม่มีน้ำติดค้างอยู่ในแก้วแม้แต่หยดเดียวพอได้โอกาสที่จะได้ลาศิษฐขาก็รีบลาศิกฐ์ขากันเลยเมื่อวานนี้รับกระถินเช้าเมื่อก็แต่งชุดขาวกันเต็ไมไปหมด ลาสิกขาแล้วจิตใจไม่เอาแล้วไปสิกขาศีลสมาธิปัญญาไม่เอาแล้วอยากจะกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะแล้วอยากจะไปหาสีกาแล้วนี่คือลักษณะของผู้ที่ไม่มีศรัทธาทั้งๆ ท, ที่ได้สัมผัสรับรู้ ได้อยู่ใกล้ชิดพระศาสนาอยู่ถึงเวลาสามเดือนด้วยกันแทนที่จะมีอะไรติดค้างอยู่ในใจที่จะเดึงให้อยู่ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งก็ยังดีก็ไม่มีนี่คือบวชแบบทับพีในหม้ อ, อกแกงบวดแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าแกงที่ตนเองอยู่นั้นเป็นแกงอะไร ดังนั้นถ้าเราฟังเทศฟังธรรมกันมาอยู่กันก็เกือบสิบปีแล้วถ้ายังไม่เกิดศรัทธาที่จะเติมน้ำมันให้มากขึ้นยังเติมอยู่เท่าเดิมอยู่ก็น่าเป็นห่วงกลัวจะต้องไปเค็มรถข้างหน้าสู้ยอมสละความสุขเล็กเล็กน้อยน้อย เอาเงินที่ซื้อความสุขต่างๆนี้มาเติมน้ำมันจะดีกว่าเช่นจะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปซื้อความสุขโดยการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆโดยการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์หรืออะไรก็ตามในรูปแบบของกามฉันทะก็เอาเงินนี้ไปบริจาค ทำทานจะดีกว่าจะทำที่ไหนกับใครก็ได้ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นก็แล้วกันแล้วเราจะได้ตัดทางเดินของการมฉันทะตัวที่จะคอยฉุดรากให้พวกเราติดอยู่กับวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทุกครั้งที่เราอยากจะใช้เงินเพื่อตอบสนองกามาตัญหา การมาฉันทะเราก็ย้อนมันด้วยการเอาเงินนี้ไปทำบุญทำทานแล้วเราก็จาเท่ากับได้เติมน้ำมันให้แก่จิตใจของเราให้เติมวิริยะอุตสาหะให้เติมศรัทธามีเพิ่มมากขึ้นเพราะเวลาที่ได้ทำตามที่พระเจ้าทรงสอนให้กระทำจะทำให้เกิดผลขึ้นมาทางจิตใจ ได้ทําทานจิตใจก็จะมีความอิ่มเอิบมีความสุขใจมีศรัทธาที่อยากจะทําเพิ่มมากขึ้นพอได้ทําทานแล้วจิตใจก็จะมีความเมตตากรุณาจะมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นจะไม่อยากที่จะทําอะไรให้ผู้อื่นเดือดร้อนจะไม่ชอบเบียดเบียนจะไม่ชอบทําบาป ก็จะนำพาไปสู่การรักษาศีลโดยอัตโนมัติคือจะรู้สึกว่าการรักษาสีนนี้มันไม่ยากเย็ยนเลยไม่เหมือนกับตอนที่ต้องการใช้เงินมากๆต้องการหาเงินมากๆหาเงินเร็วๆนี่บางทีก็รู้สึกว่าถ้ารักษาศีลแล้วมันจะเป็นอุปสรรคก็ยินดีเลืออ ขอยกเว้นการรักษาศินไว้ชั่วข่าวก่อนเพราะต้องการที่จะได้เงินได้ทองเพื่อที่จะมาซื้อความสุขต่างๆแต่ถ้าเราได้กําจัดความอยากที่จะหาเงินเพื่อไปซื้อความสุขต่างๆด้วยการทําทานอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เราอยากจะใช้เงินเพื่อไปซื้อ ความสุขเราก็เอาเงินนี้มาทำทานแล้วเราจะได้ความสุขที่แท้จริงก็คือได้ความอิ่มใจได้ความเย็นใจและได้ลดกําลังอำนาจของกามฉันทะกา ม, ามตัตญหาให้อ่อนลงไปทำให้เราไม่ต้องไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะไปซื้อความสุขต่างๆ อ่านทางตาหูจมูกเล่นกายเราก็จะได้รักษาศีลได้พอเรารักษาศีลได้เราก็จะเพิ่มศีลขึ้นไปได้ตามลําดับจากศีลห้าเราก็เพิ่มลักไปเป็นศีลแปดรักษาศีลแปดเราก็จะเข้าสู่การภาวนาได้เข้าสู่การเจริญสติสมาธิและปัญญา ตามลําดับได้นี่คือการเจริญการเติมน้ํามันขั้นชนิดต่างๆเริ่มต้นที่ศรัทธาความเชื่อที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้อยู่ใกล้ชิดกับพระศาสนาได้อยู่ใกล้ชิดกับพระธรรมคําสอนฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ ฟังเรื่อยๆศึกษาอยู่เรื่อยๆก็จะเกิดความรู้ความเห็นที่ถูกต้องว่าจะทําให้มีความอุตสาหะวิริยะที่อยากจะทําในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจแทนที่จะไปทํากับสิ่งที่เป็นโทษกับจิตใจอย่างเหมือนอย่างที่ คนที่ยังไม่ได้มาศึกษาธรรมคนที่ไม่รู้จักธรรมนี้จะทำในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยกับจิตใจคือการไปหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายโดยเฉพาะความสุขทางด้านอบายามุขต่างๆเช่ น, นการเดิมสุราการเที่ยวกลางคืน การเล่นการพนันการครบคนไม่ดีเป็นวิตรความเกลียดชังพฤติกรรมเหล่านี้แหละเป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันตรายต่อจิตใจก็จะชุด้ากให้จิตใจไปกระทำบาปตามลำดับต่อไปเมื่อใจทำบาปแล้วแทนที่จะมีความล่มเย็ยนเป็นสุขก็จะมีความรุ่มร้อนมีความทุกข์ มีความกลัวมีความหวาดระแวงอะไรต่างๆนะแล้วนะแทนที่จะหยุดก็หยุดไม่ได้เพราะเป็นเหมือนกับการเสพยาเสพติดนะเสพแล้วเวลาจะหยุดนี้มันทรมานมากก็เลยยอมทุกข์กับการเสพต่อไปทุกกับการไปทําบา ตายไปก็เลยต้องไปติดอยู่ในอบายแทนที่จะไปสู่สุกติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่มรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งก็ไปติดอยู่ในที่ที่ไม่ปาถนาที่จะไปกันแต่เมื่อเหตุมันเป็นผู้สร้างมันก็ห้ามไม่ได้ที่จะต้องไปติดเพราะเดินไปทางนั้น เมื่อเดินไปทางนั้นก็ต้องไปถึงจุดหมายปลายทางของทางนั้นพะไม่ได้เข้าหาพระศาสนาไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมหรือได้ยินได้ฟังก็แบบที่เราเห็นกันเวลาพระตั้งน้โมก็คุยกันละมือก็พนมไปปากก็คุยกันไปอย่างนี้ฟังไปกี่ร้อยปีกี่ร้อยชาติก็ฟังไม่รู้เรื่อง หลังแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรหลังแล้วไม่เกิดศรัทธาที่อยากจะทำทานที่อยากจะรักษาศีลที่อยากจะเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ได้มาเจอพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเรียกว่าเสียชาติเกิด เหมนกับขับรถไปที่สถานีบริการแล้วแทนที่จะเติมน้ํามันก็ไม่เติมไปจอดทิ้งรถไว้เฉยๆแล้วก็ไปทําธุระอะไรต่างๆพอทําธุระที่ตัเองอยากทําเสร็จก็ขึ้นรถขับรถต่อไปไปกลางทางรถก็น้ํามันหมดแทนที่จะขับไปก็ต้องเข็นไปนี่คือลักษณะของผู้ที่ ไม่ได้สัมผัสกับพระธรรมคาสอนของพระพระทุทธเจ้าหรือสัมผัสก็สัมผัสแบบทัพี่ในหม้อแกงเลยไม่เกิดศรัทธาขึ้นมาเมื่อไม่มีศรัทธาก็จะไม่มีเวรยะไม่มีเวรยะที่จะทำบุญทาทานที่จะรักษาศีลที่จะเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาดังนั้นพวกเรา ควรจะพิจารณาตัวเราว่าเวลาเราไปถึง <laughs> ป <aman fire. laughs> erm ั๊มน้ำ <sh> มันเราเติมน้ำ <sh> ม well ันกันหรือเปล่าหรือเติมน้ำเข้าไปในถังน้ำมันเพื่อประหยัดเพราะน้ำมันฟรีเติมเติมเต็มถังแต่ขับไปวิ่งไม่ได้เพราะไปเติมน้ำในถังน้ำมัน ดังนั้นขอให้เราฟังเทศฟังธรรมด้วยจิตใจที่จดจอ่อแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาตามถึงจะเกิดความเข้าอกเข้าใจถึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิถึงจะกาจัดความสงสยัยความลังเลในความสามารถของตนได้บางท่านก็อ้างว่าเป็นหญิงบ้างบางท่านก็อ้างว่ามีครอบครัวบ้าง บางท่านก็อ้างว่ามีภาระมีอะไรต่างๆแต่พอเราศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์เอ๊ท่านก็มีเหมือนกับเราเนี่ยเราทำไมท่านถึงออกบวชได้ทําไมท่านถึงไปปฏิบัติได้ท่านก็มีเหมือนเรามีครอบครัวมีสามีมีภรรยาเหมือนเรามีภาระเหมือนเราแต่ทําไมท่านไปได้ ก็เพราะว่าท่านฟังธรรมแล้วท่านเข้าใจท่านเห็นเทวทูตสี่ท่านเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายที่กําลังรอพวกเรากันอยู่ mm. เวลาที่เราเจอความแก่ความเจ็บความตายเราจะไปอ้างกับเขาได้ไหมว่าแก่ยังยังแก่ไม่ได้เพราะฉันมีภรรยยังมีสามียังมีภรรยายังมีลูกที่จะต้องเลี้ยง มีพ่อแม่จะต้องเลี้ยงมีกิจกรรมมีกิจการมีบริษัทอะไรต้องคอยดูแลรักษาไปขอร้องไปต่อรองกับความแก่ความเจ็บความตายเขาก็ไม่สนใจเขามีหน้าที่ทำให้เราแก่ทำให้เราเจ็บทำให้เราตายเขาก็ต้องทำไปตามหน้าที่ของเขาดัางนั้นเราอย่าให้ตัวเราต้องไปถึง จุดนั้นเลยเพราะมันจะสายเกินไปพอถึงจุดที่แก่ที่เจ็บที่ตายนี่มันไม่สามารถที่จะเติมน้ำมันได้แล้วหรือเติมก็เติมได้ยากเติมได้น้อยนอกจากเป็นผู้ที่มีบุญมีคุณมีวาสนาอย่างพระราชนิดาของพระพุทธเจ้าที่เป็น พ่อของพระพุทธเจ้าอตอนที่พระองค์ประชวรหนักใกล้กจะสวรรคตก็พระพุทธเจ้าก็ไปโปรดแสดงธรรมให้ฟังฟังจนกระทั่งสามารถทำใจสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นภายในใจได้ทำให้ใจสามารถกําจัด ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้หลุดพ้นจากการที่จะต้องไปเกิดใหม่ได้อันนี้เป็นกรณีพิเศษอย่าถือว่าเป็นกรณีทั่วไปจะทำให้เราประมาทเราอาจจะคิดว่าเราไว้รอใกล้ตายแล้วค่อยมาทำจิตสุดท้ายให้เป็นจิตว่างเป็นจิตนิพพาน ก็ได้เพราะเห็นมีคนอื่นทำได้แล้วเช่นพ่อของพระเจ้าก็บรรลุได้เจ็วันก่อนตายเราทำไมจะต้องมาเสียเวลาเรายังมีเวลาอีกหลายสิบปีที่เราจะหาความสุขกับลูกกับหลานกับสามีกับภรรยากับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆทำไมจะต้องมาอดตาหลับขับตานอนมาอดอาหารมาอยู่คนเดียว ในป่าในเขาไม่มีอะไรมาให้ความสุขเลยมาอยู่ทำไมไว้รอใกล้าตายแล้วค่อยไปดีกว่านี่ถ้าคิดแบบนี้ก็เป็นความคิดของคนที่ประมาทเพราะไม่ดูว่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วจะมีกำลังจิตกำลังใจกำลังกายที่จะปฏิบัติได้หรือไม่ ถ้าขณะที่มีกำลังมังชามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงยังปฏิบัติไม่ได้แล้วเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาใกล้าตายจะปฏิบัติได้อย่างไรมีเป็นสิ่งที่เราควรจะคิดกันเมื่อเราคิดแล้วเราก็จะได้ขวนขวายรีบเร่งเพราะเราก็ไม่รู้ว่าบางทีเราอาจจะไม่ทันแก่ก็ได้ไม่ทันเจ็บก็ได้ อาจจะถูกความตายแซงคิวไปก่อนก็ได้เดินไปหัวใจวายล้มไปตายทันทีทันใดก็ได้ลื่น ล, ล, ล้มลงศีรษะพาดพื้นตายไปก็มีหรือเดินไปถูกงู ก, กัดตายก็มีถูกกระทิงกัดตายก็มีอกระเทงขิดตายก็มีอันนี้ความตายมันเป็นไปได้ในทุกรูปแบบ พระเจ้าถึงสงสอนให้พวกเราจเจริญ ม, มา น, านุสติกันอยู่เนืองๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาทนอนใจเพื่อที่พวกเราจะได้รีบเร่งขวนขวายสร้างธรรมะคือเติมน้ามันให้กับจิตใจสร้างศรัทธาสร้างวิริยะสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะให้ จิตใจของเรานั้นก้าวไปสู่ความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้อยู่ห่างไกลาจากความแก่ความเจ็บความตายให้อยู่ห่างไกลาจากความทุกข์ต่างๆเป็นไปได้ทำได้ทุกคนอยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองผู้ที่ทำไม่ช้าก็เลยก็ได้ อย่างที่ได้ส่งปยากรไว้แล้วว่าเจ็ดวันก็ได้บางท่านบางท่านก็เจ็ดเดือนบางท่านก็เจ็ดปีหรือบางท่านก็อาจจะเจ็ดชาติก็ได้เช่นพระโสดาบันนี้ถ้าไม่สำเร็จในชาตินี้ก็ยังสามารถปฏิบัติต่อไปได้แต่ไม่เกินเจ็ดชาติแล้วก็ไม่ต้องมีพระพุทธศาสนามาเป็นผู้นำทาง เพราะปัสดาบันนี้มีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจแล้วมีธรรมอยู่ในใจแล้วมีแสงสว่างนำทางแล้วเพียงแต่ว่ายัางเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเท่านั้นแต่ไม่หลงทางแล้วเพราะมีแผนที่มีอริยสัจสี่เป็นผู้ที่จะบอกทางให้ทุกครั้งที่ทุก ได้เกิดความทุกข์ก็จะรู้ว่ายังมีตัณหาความอยากเหยื่อก็จะพิจารณาว่าเป็นตัณหาแบบไหนชนิดใดแล้วก็หาทำชนิดใดปัญญาชนิดใดมาลบล้างมาทำลายตัณหาชนิดนั้นเช่นพระโสดาบันยังติดอยู่กับกามสุขยังมีกามอารมณ์ยังมีความรักใครยังชอบ มีการเสพการร่วมกับผู้อื่นอยู่เวลาอยากจะเสพการถ้าได้เสพก็มีความสุขเวลาที่ไม่ได้เสพก็ทุกข์เช่นเวลาต้องอยู่คนเดียวคู่ครองไม่ได้อยู่ด้วยคู่ครองตายไปหรือไปอยู่ที่อื่นก็จะเกิดความเหงาความว่าเหวขึ้นมาก็จะเห็นโทษของการมีการอารมณ์ก็จะหาวิธี ดับการอารมณ์นี้ก็ต้องพิจารณาไปที่ร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นอย่างไรกันแน่เป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดกามอารมณ์แล้วมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราดับการอารมณ์ได้หรือเปล่าก็ลองพิจารณาดูไปก็เห็นว่าร่างกายนี้มีทั้งส่วนที่ทําให้เกิดการอารมณ์และมีส่วนที่ทําให้การอารมณ์นั้นดับไป ะไรพิจารณาส่วนนั้นไปคือส่วนที่ไม่สวยไม่งามพอเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายการอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็จะดับไปความรู้สึกว้าเวเศร้าส้อยหงอยเหงาก็จะหายไปก็จะทำให้อยู่ตามลาพังได้นี่คือลักษณะของผู้ที่มีอริยสัจ ส, สี่อยู่ภายในใจ คือเวลามีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจจะไม่ไปแก้ที่ข้างนอกเช่นเวลาเหงาไม่แฟนไม่อยู่ก็ไปหาแฟนใหม่อย่างนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาเพราะเดี๋ยวแฟนใหม่ไม่อยู่จะทำไงก็ต้องหาแฟนใหม่ไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดหาไม่ได้จะทำาย่างไงนี่ก็เป็น เรื่องของผู้ที่มีอริยสัจสี่อยู่ภายในใจแล้วเวลาเกิดความไม่สบายใจทุกใจจะไม่ไปแก้ข้างนอกจะแก้ข้างในเรารู้ว่าผู้ที่สร้างความไม่สบายใจที่แท้จริงก็คือความอยากทั้งสามนี่เองคือกามตัณหาภวตัณหาวิภาวะตัณหาและผู้ที่จะมากําจัดตัณหาทั้งสามได้นี้ได้ก็คือปัญญา คือผู้ที่เห็นใจรักเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราถ้าไปอยากให้เขาเที่ยงอยากให้เขาเป็นของเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาดัางนั้นเวลาแฟนไม่อยู่ก็ปล่อยเขาไม่อยู่ไปเราก็อยู่ของเราไปคนเดียวเพราะเราห้ามเขาไม่ได้สั่งให้เขาอยู่กับเราไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาจากเราไปไม่ได้ เถึงเวลาเขาไปก็ปล่อยเขาไปแล้วก็เลิกหาแฟนใหม่อยู่คนเดียวก็ได้ถ้าไม่มีความอยากจะมีแฟนแล้วมันก็จะไม่รู้สึกว่าว้าเวหรือเศร้าเศร้อย้อยเงาแต่อย่างใดนี่คือลักษณะของผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมจิตใจนี้จะพุ่งไปสู่พระนิพพานคือเป็นผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานแล้ว กระแสะก็คือพระ อ, อริยาาสัจสี่นี่เองผู้ที่เห็นอริยาาสัจสี่ภายในใจนี่แตกต่างกับพวกเราที่เราเห็นแต่เราเห็นจากการได้ยินได้ฟังเราไม่ได้เห็นจากประสบะการณ์เราได้ยินได้ฟังจนหุบผูฉีกแล้วว่าอริยาาสัจสี่มีอะไรบ้างมีทุกข์สมุทัยนิโรธมากแต่เวลาอริยาาสัจสี ปรากฏขึ้นมาในใจกับมองไม่เห็นเวลาไม่สบายใจกับมองไม่เห็นว่าตัวเองไม่สบายใจพอไม่สบายใจก็ไปแล้วโทรหาเพื่อนแล้วนัดไปเที่ยวกันแล้วนี่คือไม่ได้เห็นอริยสัจสี่ถ้าเห็นอริยสัจสี่ก็ต้องเข้าไปข้างในถามว่าตอนนี้อยากได้อะไรหรือถึงไม่สบายใจอะไรทำให้เราไม่สบายใจอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เลย แล้วเราห้ามเขาได้หรือเปล่าสั่งเขาได้หรือเปล่าสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้หรือเปล่าเราก็สั่งไม่ได้เมื่อสั่งไม่ได้ก็อยากไปสั่งมันก็ปล่อยมันไปมันจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของมันแม้แต่ร่างกายเราก็ปล่อยมันได้เพราะมันไม่ใช่ตัวเรามันจะอยู่มันจะตายมันไม่ได้ทำให้เราตายไปกับมันนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้ถ้าเราไม่ชันปัญญาแยกแยะ เราใช้ปัญญายอะแยะแล้เราจะรู้ว่าเรานี่ไม่มีวันตายแต่เราไปหลงติดอยู่กับสิ่งที่ต้องตายกันพอมันจะตายก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจตามมาเท่านั้นเองนี่คือผู้ที่มีอริยสัจ ส, สีมีธรรมอยู่ภายในใจผู้นี้แหละที่จะไปถึงพระนิพพานได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้นำทางอีกต่อไปสมมติชานิษ เกิอดอุบัติเหตุตายไปก่อนยังไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงต่อไปได้เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ปั๊บก็จะปฏิบัติต่อไปทันทีเพราะเวลาเกิดความทุกข์ก็จะใช้ปัญญาพิจารณาหาตายลักดูตายลักดูตันหาทันทีแล้วมันก็จะแก้ไปได้เป็นขั้นขั้นไปจนถึงขั้นสุดท้ายขั้นสูงสุดนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราควรที่จะ พุ่งเป้าไปให้ได้ถ้าไม่ได้เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่ได้เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีไม่เจ็ดปีก็ขอเจ็ดชาติก็ยังดีวะมันต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่งคือจะอยู่ที่ศรัทธาความเชื่ออยู่ที่วิริยะความภาคเพลี่ยนอยู่ที่สติอยู่ที่สมาธิอยู่ที่ปัญญาที่จะเกิดถ้าเราเข้าหาธรรมอยู่เรื่อยๆ ทุกครั้งที่เราอยากจะไปดูละครดูภาพยนตร์ก็บอกว่าไปดูไปดูหนังสือธรรมดีกว่าไปฟังเทศฟังธรรมดีกว่าไปนั่งสมาธิดีกว่าต่อสู้กับมันอย่าให้กามฉันทะดึงเราออกข้างนอกเราต้องการเข้าข้างในทาอยู่ข้างในอริยาาสัจสี่ข้างในไม่ได้อยู่ข้างนอกถ้าเราไม่เข้าข้างในเราจะไม่เห็นอริยสัจสี่อริยาาสัจสี่ที่เราได้ยินนี้เป็นเพียงแต่ เหมือนกับพระพุทธรูปที่เราเห็นพระพุทธรูปไม่ใช่พระพุทธเจ้าฉังใดอริยสัจสี่ที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังนี้ไม่ใช่ธรรมยังเป็นเพียงชื่อของธรรมเท่านั้นเองเหมือนกับเวลาที่เราอ่านเกี่ยวกับสถานที่ที่เรายังไม่เคยไปว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ยังไม่ได้เป็นความจริงในใจของเรา เหมือนที่โบราณนะว่าสิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเราต้องไปถึงสถานที่นั้นถ้าเราถึงจะเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างไรถ้าเราอยากจะเห็นอริยาาสัจสีเราต้องเข้าข้างในอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมเห็นพระสงฆ์ต้องเข้าข้างในไม่ใช่ไปที่ประเทศอินเดียไปที่ประเทศอินเดียรับรองได้ไม่เห็นไปเห็น ก, กระซ่าปลราขาดพังเท่านั้นเอง ไปเห็นที่ที่พระเจ้าเคยประทับเคยแสดงธรรมเคยประสูติเคยตัดเช้รคเคยสเสด็จ ด, ดับขันธปันนิพพานแต่ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงนั้นไม่มีพระธรรมอยู่ที่ตรงนั้นไม่มีพระอริยสงฆ์อยู่ที่ตรงนั้นพระอริยสงฆ์อยู่ข้างในอยู่ในใจเรานี่เราจึงต้องดึงใจเข้ามาข้างในด้วยการเจริญสตินี่เองที่การเจริญสตินี้ก็เพื่อดึงใจให้เข้าข้างในไม่ให้ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกาย พอออกไปแล้วมันก็หลงออกไปแล้วก็ทุกข์อย่างที่หลวงปู่ดุลท่านพูดไว้ว่าจิตออกนอกเป็นสมุทยัยจิตเข้าในเป็นมรรคเหนือนี่แหละเราต้องการให้จิตเข้าข้างในกันเราจึงต้องหลับหูหลับตากันบริกรรมพุทโธกันเพื่อดึงจิตให้เข้าข้างในพอเข้าข้างในแล้วเดี๋ยวมันก็จะเห็นอริยสัจสีมันแสดงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับ หรือแม้แต่แม้กระทั่งเวลาหลับมันก็แสดงอยู่แต่เราไม่เห็นกันเราไม่รู้กันเพราะเราไม่มองเข้าไปที่มันเกิดขึ้นเองเราไปมองที่อื่นแทนไปมองคนอื่นเห็นคนที่เราล้กแก่เจ็บ่ายได้ป่วยก็ทุกข์ขึ้นมาก็ไปทุกข์กับเขาพยายามที่จะไปหาหมอหายารักษาเขาวุ่นไปถ้าเป็นท่าตายใจก็วุ่นอยู่ตลอดเวลา ไม่รู้ว่าความวุ่นวายของใจอยู่ข้างในเกิดจากความอยากของตนเองอยากที่จะรักษาแฟนอยากจะรักษาคนที่รักให้หายจากลูกไผ่ให้เจ็บไม่ยอมมองความจริงว่ารักษาได้หรือรักษาไม่ได้นี่แหละคือเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดวิริยะอุตสาห์ที่จ ะ, จะเจริญ ศีลสมาธิปัญญาจเจริญสติสมาธิปัญญาตามลำดับถ้าจเจริญสติได้จิตก็จะเข้าข้างในเข้าข้างในจิตก็จะสงบจิตสงบก็จะมีความสุขจะเห็นว่าไม่มีความสุขกานใดในโลกนี้สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ก็จะปล่อยความสุขภายนอกได้แล้วก็จะพยายามรักษาใจให้อยู่ข้างในต่อไป อยู่ไปตลอดทุกครั้งที่มีตัณหาความอยากที่จะออกไปข้างนอกก็ใช้ปัญญามาสกัดมากระมาทำลายข้าศึกศัตรูที่จะคอยหลอกล่อให้ใจออกหลงออกไปหาสิ่งต่างๆที่พิเป็นพิ ษ, เ ป, พษเป็นภัยต่อจิตใจพอปัญญาเฉียบแหลมรู้ทันกลของกิเลสตัณหาแล้วกิเลสตัณหาก็จะไม่สามารถที่จะมาฉุดลากจิตใจให้ออกไปสู่ รูปเสียงกิดรดพลิตภาพได้ต่อไปใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรดังนั้นขอให้ท่านรงพยายามหมั่นเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วฟังด้วยจิตใจที่จดจอ่อเอาจริงเอาจังศึกษาฟังให้เกิดความเข้าใจไม่เข้าใจก็ต้องฟังซ้าแล้วซ้าอีกฟังบ่อย เพราะการฟังครั้งเดียวอาจจะไม่เข้าใจเหมือนเวลาเราบอกใครบางทีบอกครั้งเดียวเขาไม่เข้าใจต้องบอกหลายๆครั้งเราถามเขาย้ำอยู่เรื่อยๆเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังถ้าพูดบ่อยๆเดี๋ยวเข้าใจเองถ้าฟังบ่อยๆอ่านบ่อยๆเดี๋ยวเข้าใจเองเพราะทําทไม่ใช่เป็นของลึกรับที่ตรงไหนอยู่ที่ผู้อ่านผู้ฟังว่ามีความตั้งใจจะอ่านจะฟังมากน้อยเพียงไรเท่านั้นเอง ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอนยั า, าวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิตตทินางเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุจังกะปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวทวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะณิจังวุธาปจายิโนจตารโธัมมาวะทานติ นนในลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญถามได้แต่ขอให้ถามผ่านทางไมโครโฟน เพื่อผู้ที่ฟังจะได้ยินทั้งคําถามและคําตอบอถ้าไม่มีใครถามออเมียยกมือขึ้นคุณหมอเลยครับตรงไปคุณหมอนะอนอพูดใกล้ๆหน่อยนะครับท่านพระอาจาย์ครับเอออยากทราบว่ากรถินนะครับที่เราทอดในสมัปัจจุบันนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยกรินเนี่ยมหมายถึงแค่ผ้าขาวอย่างเดียวหรือเปล่าครับหรือทุกวันเนี้เนี่ยที่ผมเห็นทํากันก็คือ เออมันจะมันจะถ้าเป็นวัดในเมืองเนี่ยก็จะเป็นผ้าสาเร็จรูปที่ทำมาแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคือเราจะเน้นที่ตัวปัจจัยอย่างเงี้ยครับคือผมเลยไม่แน่ใจว่าไอ้อย่างนงี้มันเป็นกระถินตามที่ได้มันด้ว้าในสมัยก่อนไหมครับคือในสมัยก่อนนั้นขาดแขนผ้าผ้าไม่มีผ้าไว้สำหรับเปลี่ยนเวลาเปียกปอนพระพุทธเจ้าก็เลยทรง บอกญาติยมว่าควรจะถวายผ้าให้กับพระเพราะสมัยนั้นมีแต่ใส่บาทเพียง อ, อย่างเดียวส่วนผ้านี่พระต้องไปหาผ้าที่ถูกทิ้งไว้ตามป่าช้าตามกองขยะตามข้างทางแล้วเก็บมาผสมเล็กผสมน้อยพอได้จำนวนพอกับการตัดเย็บก็นำมาตัดเย็บเป็นจีวรทีนี้ปริมาณผ้ามาบวดมีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น ผ้าที่จะหามาทำมันก็ไม่พอเพียงผ้าพระก็เลยมีผ้าบัเพียงทีเพียงผืนเดียวพอเวลาเปียกก็ต้องห่มทั้งเปียกๆพระพุทธเจ้าก็เลยส่งส่งบอกให้ญาติโยมถวายผ้าโดยมีกำหนดเงื่อนไขต่างๆเช่นถวายได้เพียงเดือนเดียว เ, เพื่อไม่ต้องการให้ มาวุ่นวายกับเรื่องการถวายผ้าหาผ้ากันทั้งปีนะแล้วก็ผู้ที่จะรับได้ต้องอยู่จำพรรษาต่อดระยะเวลาสามเดือนและวัดหนึ่งก็รับได้เพียงครั้งเดียวและผ้าที่ได้รับมาก็ต้องตัดเย็บให้เสร็จภายในวันนั้นเป็นการให้ทำภารกิจให้เสร็จร่วงไปด้วยความสามัามคคีร่วมมือร่วมใจกันทำ นี่คือเรื่องของการถวายผ้ากรถินก็คือถวายผ้าสมัยนั้นจะไม่มีเรื่องปัจจัยเงินทองเข้ามาเพราะว่าไม่มีวัดไม่มีถาวารวัตถุแต่ต่อมาบ้านเมืองเจริญขึ้นผ้าเพลินนี้ก็มีมากขึ้นหาง่ายมากขึ้นมีการถวายผ้าตลอดทั้งปีบางทีปีนึ่งนี้ได้เป็นร้อยกันอร้อยตายก็มีก็ เรื่องของผ้าก็เลยหมดความสำคัญไปก็เลยกลายเป็นการมาถวาย เ, าเงินทองเพื่อสร้างถาวรวัตถุหรือปฏิสังขรณ์บุรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุต่างๆเช่นโบทเจดีศาลากุฏิอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากพอสมควร แล้วก็ครั้งหนึ่งจะมีการร่วมกันทาบุญใหญ่กันสักครั้งหนึ่งก็คือในช่วงกะถินนี้ดังนั้นจะว่ากถินเปลี่ยนไปไหมก็ไม่เปลี่ยนเพราะว่าก็ยังมีการถวายผ้าผ้ากะถินอยู่มีผ้าแล้วก็มีการนำเอาไปตัดเย็บซักย้อมให้เป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในในใจจีวร น, นีแล้วก็ทำเหมือนกับในสมัยพระพุทธการทุกอย่างเพียงแต่ว่ามีการถวาย เ, เงินทองมาด้วยเพราะสมัยนี้วัดต้องมีค่าใช้ใจ่ายต้องบูรณะซ่อมแซมต้องมีการดูแลรักษ า, าทําความสะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีค่าใช้ใจ่ายที่ทางวัดก็ไม่สามารถที่จะหามาเองได้เพราะว่าพระไม่มีหน้าที่ที่จะมาหาเงินหาทอง มีแต่หน้าที่หาธทรรมดังนั้นญาติโยมก็เลยถือโอกาสในที่ในปีหนึ่งที่มาถวายผ้ากระถินนี้เป็นโอกาสที่จะได้ร่วมกันมาสร้างถาวรลวัตถุหรือมาปฏิสังขรณ์ทาวทาววลวัตถุต่างๆก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เสียหายตรงไหนยิงแต่ว่าถ้าเป็นวัดที่ไม่มีถาวรลวัตถุท่านก็ ไม่มีความจำเป็นกับเรื่องเงินทองถ้าท่านได้รับมาท่านก็จะเอาไปทำประโยชน์สง่สงข้อโลกต่อไปเช่นที่วัดป่าบ้านต่า น, นี่ท่านไม่มีทาวลวรวัตถุอะไรเงินส่วนใหญ่ที่ได้มาหลวงตาท่านก็จะเอาไปสงข้อโลกทางโรงพยาบาลต้องการรถต้องการเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆต้องการอาคารสร้างอาคารใหม่อะไรก็ขอ งบประมาณทางราชการไม่ได้ก็เลยต้องมาขอทางวัดทางวัดท่านก็ยินดีเพราะว่าเงินทองเหล่านี้ไม่มีประโยชน์กับทางวัดเก็บไว้ก็จะเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจของพระเนนได้พเพราะพระเนนที่ยังมีกิเลสตัณหาก็จะเกิดความโลภเกิดความอยากที่จะมีส่วนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องเอาไปใช้ใจ่ายกับเรื่องราวต่าง ดังนั้นหวตาท่านก็เลยไม่แคไม่เก็บเงินไว้ในวันมีเท่าไหร่ท่านก็เอาเอาไปสงเคราะห์โลกเก็บไว้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเองในเวลาตายไปจึงไม่มีสงครามแย่งสมบนะัติกันเข้าใจยนะังโอเคใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีก้าวทางอินเทอร์เน็ตต่อ ครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook พระจารสุชาติบิชาโตและทางกลุ่มคณะศิษย์พระจารสุชาติบิชาโตนะครับคำถามข้อแรกจากคุณเจดนะครับหากเป้าหมายของผมคือการออกบวชเพื่อปฏิบัติตามปฏิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์ผมควรจะลาออกจากการศึกษาในระดับปริญญาเอกไหมครับเพราะยิ่งเรียนยิ่งคิดว่าห่างไกลจากการปฏิบัติ และยิ่งทําให้เดินช้ากราบขอบพระคุณครับเราเรียนเป็นปริญญาเอกเอาไปทําอะไรถ้าเราต้องบวชแล้วต้องมีปริญญาเอกเราก็ต้องเรียนให้จบปริญญาเอกก่อน <c oughs> ก็ไปบวชถ้าไปบวชเขาไม่ต้องการปริญญาเอกเราก็ไม่ต้องเรียนให้จบก็ได้แต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นการจะทําให้เรานี่เสียนิสัยได้หรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะมีส่วนได้ เพราะว่าเราทําอะไรแล้วเราไม่ทําให้มันสําเร็จร่ปล้วงไปเวลาเราไปบวชเดี๋ยวเกิดเราไปอยากทำทำอย่างอื่นอยากจะไม่มีภรรยาเราก็จะเลิกบวชแล้วก็ไปศึกไปมีภรรยาได้เพราะฉะนั้นบางทีก่อนที่เราจะทิ้งอะไรไปเราต้องดูก่อนว่ามันจะทำมันเป็นนิสัยมันเสียนิสัยหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องของการเสียนิสัย บางทีเราก็ควรที่จะอดทนทําสิ่งที่เราตั้งใจไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ทําให้มันสําเร็จรุ่งงไปแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเวลามันมีน้อยเวลาไม่แน่นอนแลนะปัญญาเอกที่เราเรียนอยู่นี้เราก็ไม่ได้หวังที่จะเอาไปทําอะไรให้เป็นประโยชน์กับเราได้มาก็เท่านั้นได้มาก็เหมือนกับไม่ได้มาอย่างนี้ก็ไม่ต้องเรียนก็ได้ แต่ขอให้เรามีความแน่วแน่ต่อการกระทำของเราก็แล้วกันแม่ว่าเราจะกระทำอะไรือต้องมีสัจจอ์อธิษฐานอธิษฐานคือความตั้งใจถ้าตั้งใจบวชก็ต้องแน่วแน่ต่อการบวชบวชแล้วก็ต้องแน่วแน่ต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติไม่ใช่พอบวชแล้วพอไปประสบกับสิ่งที่ไม่ถูกใจขึ้นมาก็จะเจะะ็บเสกขึ้นมาอย่างนี้ ก็ต้องฝืนทนอยู่ต่อไปให้ได้ต้องมีความแน่วแน่ต่อการบวชว่าอันนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วไม่ไม่เลือกอย่างอื่นแล้วถ้าจะบวชต้องตัดสินใจอย่างนี้ถึงจะไปได้ถ้ายังคิดว่าเดี๋ยวพอมีอะไรที่คิดว่าดีกว่าก็จะเปลี่ยนใจได้เหนี้ก็ต้องดูที่ใจว่าที่จะไม่ทำเพราะว่ามัน ทำไม่ไหวไม่อยากจะทำเบือ่อเลยอ้างการบวชมาเป็นเหตุหรือเปล่าออก็ต้องดูตรงนี้ด้วยคำถามข้อต่อไปจากคุณ beginner ไม้นะครับเมื่อโยมดูลมสักพักแล้วรู้สึกวูบคล้ายดอกไม้หุบร่างกายส่วนบนเบาลงแต่ตัวและหลังเอ็งคล้อยตามความวูบนั้นยังคงดูลมต่อจากนั้นเป็นเหมือนวงกลมขึ้นตัวจากศีรษะถึงแค่มือ ขายังรู้สึกปวดอยู่โยมพยายามไม่สนใจแต่ความปวดนั้นชัดอยู่ตรงหน้าหลังเอ็นและงอจนเมื่อยจึงต้องขยับใหม่ให้ตั้งตรงอยู่เรื่อยๆกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะคือร่างกายความจริงถ้าเราตั้งไว้อยู่ตรงไหนแล้วส่วนใหญ่มันก็จะอยู่อย่างนั้นถ้านอกจากว่าถ้ามันเอ็นจะกระทั่งล้มไปก็ตั้งใหม่ได้ แต่ถ้ามันยังนั่งอยู่ของมันได้มันจะอยู่ในลักษณะไหนในระหว่างที่เราภาวนานี้ไม่ควรไปสนใจกับเรื่องของร่างกายควรให้สนใจอยู่กับการภาวนาถ้าเราดูลมก็ให้อยู่กับลมเพียงอย่างเดียวถ้าบริกรรมพุทโธก็ให้บริกรรมพุทโธไปไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในท่าไหนก็อย่าไปสนใจมันเพราะถ้าเรากลับมาตั้งท่าใหม่การภาวนาก็จะล้มเหลว แล้วเราก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็จะภาวนาไปไม่ถึงไหนไม่ถึงท่าล้มทุกทีพอร่างกายล้มก็ลุกขึ้นมาตั้งท่าใหม่แล้วก็เริ่มภาวนาใหม่มันก็จะล้มลุกคลุกคลานอย่างนี้ไปเรื่อยๆเงั้นขอให้เราทำความเข้าใจว่าเวลาเราตั้งท่านั่งของเราดีอยู่แล้วแล้วเรานั่งไปเราจะมีความรู้สึกว่ามันเอ็นมันเอียงมันงออะไรก็อย่าไปสนใจมัน ให้เราสนใจอยู่กับงานภาวนาของเราไปเรื่อยๆ เ, เราต้องการให้ใจปล่อยวางร่างกายเพราะถ้าไม่ปล่อยร่างกายก็เข้าสู่ความสงบไม่ได้ถ้าเรายังมาภาวะโผวนกับท่าทีของร่างกายอยู่มันก็จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ดันั้นอย่าไปสนใจก่อนที่เราจะภาวนาเราก็ตั้งร่างกายให้ดีตั้งตัวให้ตรงแล้วก็ทําความเข้าใจว่าตอนนี้ร่างกายตรงอยู่แล้ว แต่เวลาเรานั่งไปก็จะอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ็นไปซ้ายขวาหรือข้างหน้าข้างหลังก็อย่าไปสนใจเพราะถ้าเราสนใจแล้วมาปรับเดี๋ยวมันก็ปรับไปปรับมาเดี๋ยวคิดว่าเอ็นไปทางซ้ายเขาปรับมาทางซ้ายอา่ะคิดว่ามากไปกลับมาทางขวามันก็จะมัวแต่ปรับอยู่ที่ร่างกายแทนที่จะพูดโธดูลมหายใจมันก็เลยไม่ได้ทํามันก็เลยนั่งไปแบบไม่ได้ประโยชน์อะไรนะ เวลาเริ่มต้นนั่งทําความเข้าใจว่าร่างกายนี้ดีอยู่แล้วเราตั้งดีอยู่แล้วตัวตรงไม่เกรงไม่อะไรสบายแล้วถ้ามันจะงอบ้างเอง็นบ้างก็เป็นเรื่องของมันถ้ามันจะล้มลงไปใครมันล้มลงไปแล้วล้มลงไปแสดงว่าสติเราหมดแนะล้รับคําถามข้อต่อไปจากคุณนิชาพานะครับกราบเรียนถาม ว่าเมื่อประจักษ์ชัดเรื่องเจ็ดวันในอริยบุคคลขั้นต้นแล้วปฏิบัติต่อเนื่องศีลห้าบริสุทธิ์สมบูรณ์ศีลแปดในวันพระทำเช่นนี้มาเรื่อยได้ร้อยวันแล้วจิตสงบอยู่ที่อุเบกขาได้ตลอดรู้ทันการกระเพื่อเมื่อจิตถูกกระทบแต่ไม่เอาทั้งชอบทั้งชังเพราะไม่อยากมีเชื้อให้มาเกิดอีกขออยู่กับจิตแบบสงบนิ่งนิ่งแบบนี้ไปเรื่อย พอครบเจ็ดเดือนจิตจะพัฒนาไปสู่อริยบุคคลขั้นที่สองได้เองใช่หรือไม่เพราะจริงๆแล้วตอนนี้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปหมดเป็นคนละคนไม่แต่งหน้าไม่ทำผมไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ซื้อเสื้อผ้าเลยเป็นความไม่อยากไปเองไม่ได้ฝืนหรือกดข่มพอใจและสุขใจไม่มีความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอะไรเพียงแต่เชื่อว่า พระพุทธองค์ท่านกล่าวเรื่องเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีไว้เข้าใจแล้วว่าหากปฏิบัติสั่งสมมานานพอถึงวันหนึ่งเพียงเจ็ดวันก็จะได้รับผลนั้นเมื่อเพื่อไม่เกิดเกินเจ็ดชาติแต่เจ็ดเดือนนี้คืออะไรคือขั้นต่อไปใช่หรือไม่เจ้าคะซึ่งจะได้เองโดยอัตโนมัติหรือต้องทำอย่างไรมากไปกว่าสงบสุขสุขเย็นอย่างนี้ คือคำว่าเจ็ดเดือนเจ็ดวันเจดปีนี่หมายความว่าความสามารถของผู้ปฏิบัติที่จะบรรลุภายในระยะเวลานั้นๆบางคนก็มีความสามารถที่บรรลุได้ภายในเจ็ดวันบางคนก็ต้องเจ็ดเดือนบางคนก็ต้องเจ็ดปีบางคนก็ต้องเจดชาติอันนี้อยู่ที่น้ำมันที่เติมไว้ว่ามีพอหรือไม่ถ้ามีมากพอเหยียบคนเร่ง จมเข้าไปจมคันเร่งเลยนี่มันก็เจ็ดวันก็ถึงแล้ะถ้าเติมครึ่งถังเหยียบไปจมคันเร่งเดี๋ยวมันไปถึงกลางทางมันก็หมดต้องเติมใหม่ก่อนอันนี้เป็นเรื่องของเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีส่วนเรื่องของการพัฒนาของจิตนี้มันจะไม่มันจะไม่มไมก้าวขึ้นไปของมันเองมันจะต้องใช้ปัญญาสติปัญญาเป็นผู้นาพาไปคือต้องให้สติปัญญาค้นหา เรียกว่าสังโยชน์คือเชือกที่ผูกใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดสังโยชน์นี้มีอยู่สับสิบเส้นด้วยกันมีแบ่งเป็นสองส่วนสังโยชน์เบื้องบนกับสั ง, สงโยชน์เบื้องล่างเบื้องต่ำเบื้องต่ำก็เป็นขั้นของพระโสดาบันสกิทาคามีและพระอนาคามีที่จะต้องตัดให้ได้ของพระโสดาบันนี้ก็ต้องตัดสามเส้นแรกคือ ส ก, กายาทิฏฐิความเห็นว่าตัวร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเวทนาสัญญาสังขารนิญญาณเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ความหลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่และศีลภัตตปราม a ตาสคือความความความปฏิบัตินอกคำสอนของพระพุทธเจ้า คือยังเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยเรื่องหมอดูดวงดาวเลิกยาอะไรต่างๆนี้ถือว่าเป็นความเชื่อนอกคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี่สอนให้เชื่อกรรมอย่างเดียวก็คือการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจที่ใจทุกข์ก็เพราะใจคิดไม่ดีนั่นเองคิดไปในทางความอยากถ้าอยากจะหายทุกข์ก็หยุดความคิดไที่คิดไปในทางความอยากความทุกข์ก็หายไป ไม่ต้องไปทําพิธีกรรมอะไรแก้ปัญหาต่างๆเช่นไม่อยากให้เสื่อมเวลาเจอข้อความเสื่อมก็อยากจะให้ความเสื่อมนั้นหายไปโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันเป็นเรื่องปกติของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ที่มีเจริญแล้วย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าพิจารณาเห็นเราก็ยอมรับความจริงก็ไม่ต้องไปทาพิธีกรรมอะไรมันจะเสื่อมก็ไปมันเสื่อมไปที่ไปทาพิธีกรรม ไปทำอะไรต่างๆก็เพราะว่าอยากจะให้มันไม่เสื่อมีแสดงว่าไม่มีปัญญาไม่เห็นความเสือ่อมไม่เห็นอนนจังทุกขังอนัตตานี่คือพระสุดาบันเห็นเรื่องของความเสื่อมของของร่างกายและของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวลาร่างกายเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเวลาร่างกายแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปเวลาร่างกายตายก็ปล่อยมันตายไป เพราะพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังอนัตตาไม่ใช่ตัวเรามันไม่เที่ยงมันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าไปอยากให้มันไม่เปลี่ยนก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากอันนี้ก็จะตัดสังโยชน์สักกายทิฏฐิได้เมื่อตัดได้ก็จะพบกับความสงบพบกับความสุขเข้าใจอริยสัจสีการทา ง, งานของอริยสัจสีก็แสดงว่าเห็นธรรม เห็นธรรมก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่เห็นเห็นอย่างนี้นั่นเองก็ไม่ไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีพระธรรมมีหรือไม่มีพระสงฆ์มีหรือไม่มีอันนี้ก็จะตัดสังโยชน์ไปสามข้อแรกได้ส่วนอีกสองเส้นที่ยังตัดไม่ได้ก็คือกามราคะความยินดีในการอารมณ์แล้วก็ปฏิฆะความหงรธเกิดเวลาของอย่างนี้มันจะ เกิดขึ้นด้วยกันเวลาเกิดกามอารมณ์แล้วไม่ได้เสพกามอารมณ์มันก็จะหงดเงียดมันงดหยิยดมันเลยต้องไปเสพพอมันเสพแล้วมันก็หายแต่มันหายชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นใหม่ถ้าอยากจะให้มันหายอย่างถาวรก็ต้องอย่าไปเสพกามอารมณ์เพราะกามอารมณ์เป็นตันหาความอยากความอยากนี้ต้องทําลายมันกามอารมณ์นี่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะไปเห็นของสวยของงามในร่างกายของผู้อื่น ถ้าอยากจะดับการมาลนก็ต้องพยายามเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของผู้อื่นเช่นเห็นคนที่เราชอบเนี่ยเราชอบเขาเราเห็นเพราะเห็นหน้าตาเขารูปล่างเขาการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรเราเห็นแต่เพียงส่วนนอกเราไม่เห็นส่วนในเราก็ต้องพิจารณาดูเข้าไปข้างในใต้ผิวหนังถ้าเราเปิดผิวหนังออกเปิดเนื้อออกแยกออกมาเราก็จะเห็นอาการต่างๆที่ไม่น่า ไม่น่าดูไม่น่าชมหรือดูส่วนที่ศพกระโปรกที่ถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางร่างกายถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็จะทำให้การอารมณ์ ม, มันดับไปเมื่อดับการมลมได้ปฏิฆะความหงุดหงิดก็จะหายไปด้วยอันนี้ก็เป็นขั้นของพระสกิดาคามีกับขั้นพระอนาคามีพระสกิดาคามีท่านแสดงว่าสามารถที่จะ าลาได้เป็นบางส่วนแต่ยังไม่ละได้เต็มที่ทำให้การมารลาค่าบเบาบางลงไปแต่ไม่หมดไม่ร้อยเปอร์เซนตเพราะว่าไม่สามารถเห็นได้ตลอดเวลาบางเวลาก็เห็นบางเวลาก็ไม่เห็นความไม่สวยงามเวลาที่เห็นก็ไม่มีการอารมณ์เวลาที่ไม่เห็นไปเห็นส่วนที่สวยเข้าก็เกิดการอารมณ์ขึ้นมาต้องขึ้นไปอีกขัน้นค่ะคือขั้นพระอนาคามีนี้จะเห็นตลอดเวลา เห็นร่างกายปั๊บนี้จะเห็นทั้งส่วนที่สวนที่สวยและส่วนที่ไม่สวยพร้อมๆกันไป <Yeah. S 1> พอเห็นอย่างนี้แล้วการบารลุมก็จะดับไปปฏิฆะความหงุดหงิดใจก็จะหายไปก็จะตัดสังโยชน์ อ, อ, อีกสองเส้นได้รวมเป็นทั้งหมดก็ห้าเส้นนี่แล้วสังโยชน์เบื้องต่ําผู้ที่ตัดได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไป เพราะไม่มีความยินดีกับร่างกายแล้วที่มีร่างกายเพราะต้องการใช้ร่างกายนี้ไปเสพการอารมณ์นี่เองแต่เมื่อไม่มีการอารมณ์ก็เลยไม่รู้จะเอาร่างกายไปทำอะไรก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์จิตของพระอนาคามีถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรมมีอยู่ห้าชั้นด้วยกันชั้นสุทาวาส <c oughs> แล้วก็จะปฏิบัติ จเจริญปัญญาต่อเพื่อตัดสังโยชน์เส้นคื อ, อรูปปาคะความยินดีในชาติในรูปประชานารูปปาคะความยินดีในอรูปประชานาาแล้วก็อะไรมานะความถือตัวอวิชช า, าความไม่รู้พระอริยสัจยังไม่เห็นอริยสัจสีที่มีซ่อนอยู่ภายในจิตที่สงบนั้นและ อุทจจะความพวงซ่านที่ยังมีอยู่ในจิตผู้ที่ปฏิบัติถึงขั้นนั้นก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ตัดไปให้ได้ไปให้หมดทั้งห้าเส้นถ้าตัดห้าเส้นได้ก็ก็จะบรรลุเป็นพาาระอรหันต์อันนี้มันจะไม่เป็นของมันเองมันจะต้องใช้ปัญญาเป็นผู้ขุดคุยหาสังโยชน์หาสังโยชน์แล้วก็ใช้สติปัญญาตัดมันไปตัดมันไป ให้หมดถ้าผู้ที่ขยันพิจารณาก็จะตัดได้เร็วถ้าผู้บางทีไปถึงแล้วขี้เกียจติดอยู่เฉยๆไม่พิจารณาก็อาจจะติดอยู่เป็นเวลาหลายเดือนหลายปีก็ได้หรือติดแล้วไปเจอปัญหาก็ไม่รู้จักวิธีแก้เพราะไม่มีผู้ที่ชี้แนะนำผู้ที่ผ่านมาแล้วอย่างโน้นตาท่านก็เล่าว่าท่านก็ไปเจออวิชชา และท่านก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอวิชชาท่านก็แบกอวิชชาต่อไปอีกสามเดือนแทนที่จะทําลายมันแต่พอได้พบกับหลวงปู่มั่นท่านท่านหลวงปู่มั่นยังมีชีวิตอยู่ถ้าไปเล่าให้ท่านฟังหลวงปู่มั่นก็จะบอกเนี่ยแหละไอ้ตัวนี้แหละเตัวที่ต้องทําลายไม่ใช่ไปไปรักษามันไปปกป้องมันเพราะมันมันหน้ามันสวยงามอท่านบอกมันเหมือนเหมือนนางบังเงา ท่านบอกตอนต้นคิดว่าอาวิชชานี้เป็นเหมือนเสือแต่พอไปเจอตัวจริงแล้วมันเป็นเหมือนนางบางเงาเหมือนนางงามจั ก, กรวาล mm hmm. มันสว่างสวัยจิตอวิชชานี่มันตัวสว่างสวัยมันแบบว่าไม่เคยเห็นความสว่างสวัยอะไรมาก่อนเหมือนตัวนี้ mm hmm. ท่านก็เลยไปแบกมันอยู่ถึงสามเดือน <laughs> และในที่สุดท่านก็มารู้ทันว่าอ๋อไอ้ตัวนี้เอง ที่เป็นตัวพบตัวชาติเนี่ยที่ว่าตรงไหนมีจุดมีตอนตรงนั้นจะมีพบมีชาติอยู่ไอ้ตัวนี้ตัวที่จะทำให้ไปเกิดต่อได้อยู่นี่ก็คือสังโยชน์ต่างๆที่เวลาปฏิบัติไปแล้วมันจะจะพบจะเจอถ้าไม่เจอก็ขุดคุ้ยหามันได้ถ้าเราได้มีได้อ่านไว้ก่อนดูแผนที่ไว้ก่อนมันก็จะง่ายกว่าไม่ได้ดูแผนที่ ไม่ได้ดูแผนที่ก็ต้องรอให้มันโผล่ขึ้นมาถึงจะรู้ว่ามันยังมีอยู่แต่ถ้ามีแผนที่ถ้ามันไม่โผล่ขึ้นมาก็ขุดหามันเพระบอกพ่า เ, เรารู้แล้วยังเหลืออีก5้าตัวหลบอยู่แถวเนี้ยมันอยู่แถวไหนก็ไม่รู้ค้นหามันไห้เจอคำถามข้อต่อไปจากคุณอาจารย์วิชายานะครับพระอาจารย์เคยสอนว่าละกิเลส โดยการไม่อยากแต่เมื่อมีความเคารพศรัทธาพ่อแม่ครูอาจารย์ก็จะอยากไปกราบไปทำบุญถวายสังฆทานดังนั้นการมีความรู้สึกอยากแบบนี้จะเรียกว่ากิเลสได้ไหมจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรคือความอยากแบบนี้มันอยู่ที่ที่ระดับจิตของเราว่าเราอยู่ในระดับไหน ถ้าเราอยู่ในระดับที่พึ่งตนเองได้แล้วอยากจะไปกราบท่านเพราะขี้เกียจภาวนาอยากจะหาหาโอกาสออกไปเที่ยวข้างนอกอยากแบบนี้ก็เป็นโทษแต่ถ้าเราเราติดเราภาวนาแล้วติดเรามีปัญหาแก้เองไม่ได้อยากจะไปหาท่านเพื่อให้ท่านช่วยแก้ให้ถ้าอย่างนี้ก็ก็ถูกแล้วมันต้องดูที่เหตุผลว่าไปเพราะอะไรบางทีมันมี เหตุผล hmm. แอบอ้างอยู่ซ่อนอยู่ที่เราไม่รู้อย่างพวกญาติโยมที่ชอบไปผ้าป่าไปกระถินกันเนี่ยก็เพราะว่าจะได้ออกไปไม่ต้องเดินจงกรมไม่ต้องนั่งสมาธิกันก็หลวงตาท่านอยงแม่พระเน้นรับกลิ่นนิมนต์ไงความยิงรับกลิ่นนิมนต์มันก็เป็นการไปปวดญาติโยมให้ญาติโยมได้ทาบุญ แต่ในขนาดเดียวกันก็ไปทำลายสมาธิของพระผู้ปฏิบัติเพราะเวลาออกไปแล้วไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสใจก็ฟุ้งขึ้นมากลับมาวัดไอหสิ่งที่เห็นอยู่มันยังค้างอยู่ในใจเนี่ยกว่าจะลบมันออกไปหมดได้กคมบางทีสองสามวันถ้าลบไม่ไหวดีไม่ดีก็อยากจะกลับไปหามันอีก <c oughs> ทำให้เหตุทำทาเหตุให้ศึกได้ลาศิกขาได้ ท่านถึงระมัดระหวังเรื่องพระท่านถึงไม่ยอมให้ออกไปข้างนอกแม้แต่ไปทําวัดในช่วงเข้าพรรษาไปกราบกูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็ไม่เคยพาไปหลวงตาท่านจะไปองค์เดียวสมัยนี้มีสมัยที่มีพระผู้ใหญ่ที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟ้านหลวงตาท่านไปทําวัดองค์เดียวท่านไม่ได้พาพระเนิน อ, ออกไปไปกับท่านเพราะท่านเห็นพิษเห็นภัยของการออกไปข้างนอก เพราะมันจะทำให้เกิดสัญญาอารมณ์ตกทังอยู่ในใจและเวลากลับมาจะไม่มีกระจิตกระใจที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิใจมันจะคิดเห็นแต่สิ่งที่ได้ออกไปเห็นคิดถึงความสุขที่เคยได้รับจากสิ่งเหล่านั้นก็ยังอยากจะกลับไปหามันคำถามข้อต่อไปจากคุณปาดาวบินได้นะครับมีพี่ที่ทํางานฝากถามว่า เวลาไปภาวนาที่วัดครูบาอาจารย์ความคิดมักจะชอบไหลลงต่ําเช่นไปลบหลู่ครูอาจารย์โดยที่เราไม่ตั้งใจควรจะแก้ไขอย่างไรดีคะก็หยุดมันซิถ้ามันคิดไม่ดีก็หยุดมันถ้าหยุดไม่ได้ก็ใช้พุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปอย่าปล่อยให้มันคิดแล้วก็เตือนใจสอนใจว่าคิดแบบนี้ไม่ดีเป็นการคิดทําลายตนเอง คำถามข้อต่อไปจากคุณแอลนะครับตอนเด็กๆประมาณ 8-9 ขวบเกิดสภาวะรมขึ้นสองครั้งคือกลางคือนนอนไม่หลับก็นอนกิ้งจนดึกก็คิดถึงเรื่องความตายจากนั้นใจมันเกิดวางกายใจเบาสบายต่อมาอายุ18นั่งสมาธิสม่ำเสมอหลายวันเกิดจิตรวมเห ม, เหมือนลอยขึ้นชั้นบรรยากาศสูง ระมาณชั้นสตาโซเฟียมีความสุขมากแบบที่บนโลกนี้ไม่มีจากนั้นจิตก็ถอนออกมามีความรู้สึกอยากบวชมากร้องไห้ไม่รู้จะทำยังไงดีข้างหนึ่งมันเหยียบทางโลกข้างหนึ่งเหยียบทางธรรมเหมือนประตูคุกเปิดแล้วแต่ออกมาไม่ได้มันมีโซ่ล่ามขาไว้อีกทีหนึ่งโซ่นั้นคือมันห่วงพ่อกับแม่ มองด้วยตาเปล่าเห็นศาลาข้างทางมันใหม่ๆอยู่ดีๆจากนั้นมันค่อยๆเก่าและพังลงไปตอนนี้อายุสามสิบสองแต่ก็ไม่เคยลืมคำถามสภาวะพระนิพพานจิตจะลอยสูงกว่าที่หนูเคยทำได้จนพ้นแรงดึงดูดของโลกใช่หรือไม่ก็คล้ายๆอย่างนั้นคือมันก็สงบอย่างนั้นเพียงแต่ว่ามันจะสงบอย่างถาวรไม่ไม่ต้อง ขึ้นๆลงๆสมาธิมันยังเข้าๆออกๆอยู่เวลาอยู่ในสมาธิก็เหมือนเข้าไปในพันิพาญชั่วข่าวแต่ต้องออกมาเพราะายังมีร่างกายพอออกมาเรามารับรู้เรื่องราวต่างๆความสงบนั้นก็จะหายไปนอกจากถ้ามีปัญญาเท่านั้นถึงจะสามารถรักษาความสงบนั้นได้ไว้ได้ต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาแล้วท่านถึงสอนให้ใช้ปัญญาหลังจากที่ได้สมาธิ พอได้สมาธิแล้วออกมาก็พยายามใช้ปัญญาคอยกำจัดตัณหาความอยากต่างๆที่จะมาทำให้ใจวุ่นวายขึ้นมาหายจากความสงบถ้าสามารถตัดตัณหาต่างๆได้ใจก็จะสงบตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในในสมาธิอันนั้นก็เรียกว่าเป็นพระนิพพานสงบตลอดเวลาเพราะเหตุที่มาทำลายความสงบมันมันถูกทำลายไปหมด จิตก็ไม่ต้องเดินโยมกลมไม่นั่งสมาธิไม่ต้องเจริญสติปัญญาอะไรต่อไปเพราะจิตมันสงบของมันไม่มีไม่มีพิษมีภัยที่มาทําลายความสงบนั้นถ้าร่างกายก็เหมือนหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บไม่ต้องกินอยู่กินยาไม่ต้องทําอะไรแล้วเวลาที่มีโครคภัยไข้เจ็บก็ต้องกินยามันถึงจะหายได้เวลาใจฟุ้งใจวุน่นวายก็เหมือนใจไม่สบายใจก็ต้องใช้ปัญญาใช้สติสมาธิ ถึงจะสามารถที่จะทําลายเชื้อโรคที่ทําให้ใจวุ่นวายนั้นหมดไปพอเชื้อโรคนั้นหมดไปใจก็กลับมาเป็นปกติพระอาจารย์ครับอารมณ์อุเบกขาไม่ใช่อารมณ์ของพระนิพพานใช่ไหมครับพระอาจารย์ท่าไม่ได้ใช้คาพูดนั้นแต่มันก็เป็นอันนั้นแ่ะคือพระนิพพานนี่ท่านฉันเราก็ไม่ได้ศึกษาทางพระคัมภีร์เท่าไหร่ แต่ท่านไม่ค่อยจะอยากจะทิศอยากจะพูดมากเพราะว่าพูดไปคนฟังก็จะอาจจะออกไปจินตนาการอะไรต่างๆแล้วอาจจะหลงผิดได้ท่านเลยบอกว่าให้ปฏิบัติ ด, ดีกว่าให้ปฏิบัติแล้วให้มันเป็นสันทิฏฐิโกให้มันรู้มันเห็นเองไม่งั้นเดี๋ยวก็จะเป็นพวกตาบอดคำช้างมากคนมันก็คำช้างตัวเดียวกันเน่ยแต่คำคนละที่กันแล้วก็มาเถียงกันว่า เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ถูกทั้งห้าขนนั่นแหละแต่มันไม่ถูกหมดมันก็จะว่านิพานเป็นอุเบกขาก็ได้เป็นอุเบกขาที่ถาวรก็ได้นิพานที่ไม่มีกิเลสตัณหาก็ได้นิพานศูญก็ได้มันพูดได้แต่ภาษาเราพอเราพูดแล้วมันเราจะแปลความหมายไปอีกเรื่องหนึง่งก็เลยอย่าพูดดีกว่าปฏิบัติกันดีกว่า คำถามข้อต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับด้วยเห็นบางอย่างในเฟซในการบอกบุญซึ่งพระอาจารย์เทศบอกมาแล้วเรื่องการทำบุญแต่สงสัยต่อว่าถ้าทำแบบคือบอกเบอร์บัญชีให้โอนเงินเข้าแต่ก็เป็นบัญชีเดียวกันที่ใช้อยู่ไม่แยกบัญชีจึงทวงถามว่าทำไมไม่เปิดบัญชีแยกตอบว่าได้อดวาน เงินตนออกไปก่อนแล้วมาบอกบุญให้ร่วมกันทําถามต่อว่ารู้ไหมว่ามีเงินบุญโอนเข้ามาเท่าไหร่ตอบว่าไม่เป็นไรเท่าไหร่ก็เท่านั้นแบบนี้ผลกรรมจะเป็นอย่างไรคะตนก็ไม่ได้ร่วมทําเพราะไม่ศรัทธาเราถึงบอกว่าไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องเราอย่านี้ไงเพราะมันมันเป็นดาบสองคมมันมันถึงบอกไม่เรื่อะไรไม่เปิดบัญชงบัญชี ถ้าเกิดว่ารับทางโอนเงินป่านนี้เป็นล้านแล้วครับอาจารย์คำถามว่าไปไม่มีอะไรคำถามข้อต่อไปค่อนข้างยาวนะครับครั้งหน้าขอสั้นกว่านี้หน่อยนะครับยาวมากเลยคำถามข้อต่อไปจากคุณยานานะครับ ก็ผมติดการงานทางโลกเลยไม่มีโอกาสมากราบเรียนธรรมจากกับพระอาจารย์ในช่วงนี้ในแต่ละวันก่อนไปทำงานจะฟังเทปธรรมะของพระอาจารย์สุชาติและหลวงตามหาบัวและนั่งสมาธิตอนนี้ผมอยู่ในช่วงที่ต้องนำธรรมมาฟัด ก, กับกิเลสอย่างหนักมีชนะและมีแพ้แต่ส่วนมากชนะมากกว่าแต่ยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะอยากจะบวชสืบทอดพระพุทธศาสนา เพราะไม่เห็นประโยชน์ที่คารวะใช้ชีวิตเวียนไหวอยู่ในกองทุกข์เช่นนี้ระหว่างวันที่ทำงานจะภาวนาพุโทโธและสวดมนต์ในใจอยู่ตลอดวันเวลาฝันก็จะฝันว่าได้สวดมนต์บ้างอยู่ในวัดในโบสถ์และได้ถวายผ้าตายอยู่บ่อยครั้งมีอยู่วันหนึ่งได้พังทําผิดศีลไปในเวลานอนได้เกิดฝันร้ายว่าจะมีอันตรายกับตัว ได้หนีอันตรายจนไปพบหลวงปู่แหวนสุจินโนนั่งขับสมาธิอยู่ในกระท่อมเลยดีใจมากก้มลงกราบหลวงปู่แทบฝักหลวงปู่รูปผัวและบอกว่าไม่เป็นไรผมได้ลุกขึ้นเห็นพระอีกรูปคือหลวงปู่สิมท่านยิ้มให้อย่างมีเมตตาผมเลยตื่นขึ้นมาสงสัยว่าหลวงปู่แหวนท่านมากับหลวงปู่สิมได้อย่างไรจึงเปิดอินเทอร์เน็ตดูรู้สึกอจจัศจรรย์ที่หลวงปู่ทั้งสองท่านสนิทกัน ผมไม่ทราบมาก่อนปกติเวลาสวดมนต์ทุกวันระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเอ่ยนามครูบาอาจารย์ทุกครั้งรวมถึงพระอาจารย์มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่แหวนและพระอาจารย์สุชาติอยู่ทุกวันอยากสอบถามพระอาจารย์สุชาติครับว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องเพียงใดและที่ฝันแบบนั้นเป็นผลของการปฏิบัติความเพียรใช่หรือไม่ลักษณะแบบนี้ ใช่หรือไม่ที่หลวงตาว่าผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติจะมีครูอาจารย์หรือเทพพรมคอยดูแลปกป้องอยู่เสมอเพราะปกติเวลานั่งสมาธิภาวนาแล้วจะละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระอริยเจ้าพรมเทวดาบุปการีเจ้ากรรมในเวรเทวดาประจำตัวอยู่ทุกครั้ง เพราะกับผมเพิ่งอยู่ในขั้นอนุบาลอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับทุกวันนี้กระผมพิจารณาว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงมีความทุดโทรมอยู่ตลอดและกำลังเล่งทำความเพียรตัดกิเลสศึกษาธรรมจากพระอาจารย์สุขชาตินำมาปฏิบัติถูกแล้วแหละขอให้ปฏิบัติให้ ม, มากๆพูดไทยน้อย ถ้าถ้าปฏิบัติมันมากแล้วต่อไปมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆพอ yeah. ปฏิบัติแล้วมันเห็นแล้วมันเข้าใจแล้วมันก็ไม่รู้จะไปไปถามใครฉ yeah. ั้นขอให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพยายามพูดให้น้อยๆลงไป <c oughs> เอาแล้วนาะวันนี้นะว่า <c oughs> พอสมควรแก่เวลาอ็ <LAUGHTER> ขอให้ท่านจงนำเอาเรื่องราวที่ท่านได้ยินได้ฟังมาไป พ, พิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด <today>